านานนักในปฏิบัติธรรมตรือว่าคนเกลียดข้านมักอลางว่าร้อนนักในปฏิบัติธรรมหรืว่าคนเกลียดข้านมักอ้างว่ายังเช่าอยู่ไม่ลุกขึ้นทำความเพียรเรือ่เกลียดข้านมักอ้างว่าเหนื่อยนักมักอ้างว่าหิวนักไม่ทำการทำงาน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 อยากได้มากกว่าเจ้าของมันเดินดันไม่ไหวมันคุกเข่าลงเวลามันขึ้นเขาขึ้นมอดันมันมันเม็ไม่ได้คุกเข่าดันเอาเดินเข่าขาหลังยันไปขาหน้าคุกลงงเดินเข้าขาหน้าไปจนสเมนร่างกายจนสัน่น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 การใช้ชีวิตประจำวันเราให้สติลกขิตไปจะหลงบ้างผิดบ้างไม่เป็นไรแต่ว่าให้ให้ให้รู้จับทิศทางรู้จักเงื่อนไขรู้จักหลักของการของงานของการใช้ชีวิตจึงจะเรียกว่าฝึกตนจึงจะเรียกว่าบัณดิตมีสิ่งที่ทำให้เราฝึกหัดเยอะแยะ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 การขวงกันอะไรขวงกันสติสมัญญะอะไรก็ตามที่มันขวงกันสติสมัญญาเรียกว่าไปทางขวางๆแบบนัน้นเรียกว่าเดรัจฉานกถาเดรัจฉานวิชาอย่าไปสนใจอย่าไปรู้เหตุผลต่างๆที่ไม่ใช่สติเอาสติไว้ก่อนอย่าเที่ยงหลักอย่าทิสทิง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 มันเบื่อนหน่อยมัน <c oughs> เหมือน <c oughs> บ่อขยะที่หมักหมมเอาไว้ที่หมักหมมเอาไว้เห็นสูบบุรีเนี่ยสูพบุรีเนี่ยสูบที่ไรเป็นลักเป็นเลบสูบมองตรงก็เน่าเตี้ยอยู่แต่มันอดไม่ได้ได้หมไหมก็น่าเห็นใจเหมือนกันไปแอบสูบในช่วง